พวกเราก็ได้มาค้งคืนที่บ่อ น, น้ำร้อนหนองยะปบ้องเนี่ยบรรยากาศก็ดีเนี่ยสถานที่ก็ถือว่าสัพเยะมากความสงบก็ก็พอสมควรเนาะอาจจะมี คนงานเขาก่อสร้างอยู่ห่างจากเราไม่ไกลนักนะก็ส่งเสียงรบกวนบ้างตอนกลางคืนนะแต่จริงก็เรามีที่ให้กางเต็นท์กางกดนะมีน้ำอาบน้ำดื่มน้ำใช้นะีนะ่อันนี้ก็ถือว่าดีนะยังมีเทียนยังมีสิ่งต่างๆที่ เ อ, อื้ออำนวยความสะดวกเนี่ยกับพวกเราพอสมควรนี่ก็ก็ถือว่าดีมากนะเนี่ยเวลาเราไปทุ ด, ดงนะบางทีถ้าถ้าเราไปเป็นหมู่ไม่ใหญ่นักนะบางทีการเลือกที่ตัะยะนมันก็อาจจะเลือกได้ง่ายนะพักตามป่าช้าบ้างก็ได้ <c oughs> พักตามเถียงนานะกระต๊อบนะ เล็กๆข้างทางก็ได้นะหรือพักตามป่านะริมลำห้วยลำทานก็ได้นะถ้าไปแต่ น, น้อยๆเนี่ยมันหาโอกาสที่พักได้ง่ายนะแต่พวกเราก็มากันเยอะนะสถานที่บางทีก็ต้องดูกันให้เหมาะพอสมควรเหมือนกันบางทีก็ถ้ามันแออัดเกินไปหรือว่าถ้ามัน มีความไม่สะดวกหรือความไม่พร้อมนะมันก็จะลําบากนะเพราะว่าธาตุแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะนะก็ต้องมีความเหมาะสมพอดีพอตรงควรไปคนเดียวนะมันก็ไปได้เร็วไปได้ไกลนะจะไปที่ไหนก็ได้นะี่จะพักที่ไหนก็ได้นะี่จะกินอย่างไรก็ง่ายนะีนะ่ถ้าอยู่แบบนี้นะถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ย ก็จะเห็นจิตเห็นใจของเราได้ชัดเจนนะบางคนอาจจะมีความกลัวนะ่ะกลัวผีกลัวสัตว์นะ่ะกลัวสิ่งที่แล้วแต่จะจินตนาการไปเนาะแต่เราอยู่มืดมืดอยู่ในปา่าอยู่คนเดียวนะ่ะบางทีก็จะจินตนาการไปอย่างไรก็เกิดความกลัวขึ้นในใจขึ้นมาบางทีถ้าไปคนเดียวนะ่นะน่ะก็จะเห็นความเหงา เห็นความน่ะคล้ายๆซึมบางครั้งนะเอก็มีนะไม่มีเพื่อนพูดคุยนะไม่มีคนรู้จักอันนี้นะมันก็จะเป็นได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเรามาเป็นหมู่คณะนะความเหงาก็อาจจะไม่ค่อยมีเพราะว่ามีเพื่อนมีคนรู้จักน่ะ ความกลัวนะั่นก็ไม่ค่อยมีแม้อยู่ในป่าอยู่ที่ที่มันออยู่อยู่ตามวัดตามป่าชาญนะอยู่หลายคนนะมันก็ไม่ค่อยกลัวหรอกเพราะว่ามันเหมือนมีพวกเราเราสังเกตก็ได้นะดูเวลาเราเดินนะดูหมานะหมาเวลามันเห่าเนะ่ย ถ้ามันมีพวกสองสามตัวนะมันก็เห่าเสียงดังหน่อยนะกล้าเข้าใกล้คนหน่อยนะแต่ถ้ามันอยู่คนเดียวนะพอคนเดินไปเป็นหมู่เนะี่ยมันจะเริ่มถอยละนะมันก็จะเริ่มกลัวขึ้นมาละนะี่สัญชาตญาณของหมานะอนะ่มันเก่งตอนอยู่กับฝูงนะีแต่พอมันตัวคนเดียวมันก็ไม่ค่อยกล้าละคนเรา หลายคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนหรอกนะมันก็อาจจะคล้ายๆแบบนั้นนะเวลาเราอยู่กับเพื่อนอยู่กับหมู่อยู่คณะเราก็จะอุ่นใจนะเราจะ ก, ก็ไม่ค่อยกลัวแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็จะเห็นความกลัวได้ชัดขึ้นนะแต่ถ้าเรามาเป็นหมู่คณะนะความกลัวอาจจะไม่ค่อยมากนักนะความเหงาก็อาจจะไม่ค่อยมีนักนะแต่บางทีมันก็จะมี มีอารมณ์ที่มันแตกต่างไปจากการไปคนเดียวนะอย่างเช่นความรู้สึกนะนะไม่พอใจบ้างนะพอใจบ้างนะนะประสบกับสิ่งต่างๆที่มันมีอารมณ์มากระทบในหมู่คณะบ้างกระทบกั บ, บรอบข้างบ้างอะไนี้นะมันก็จะมีสิ่งต่างๆพวกนี้เข้ามาให้เราได้เรียนรู้ ว่าสิ่งต่งตางๆมันเกิดขึ้นแล้วจิตใจเราเป็นอย่างไรบ้างเนะี่ยเราก็อาศัยการเรียนรู้ตรงเนี้ยเป็นตัวที่มันเกิดขึ้นเนาะเราก็ดูเพราะว่าคนหลายคนนะจะให้มันเป็นไปอย่างที่แต่และคนชอบเนะ่มันก็เป็นไปไม่ได้เราเองเราก็ต้อง รู้จักในการที่ปรับตัวปรับใจเนาะให้ยอมรับตามสถานการณ์นั้ น, น, นเพราะว่าจิตใจของแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันถ้าเรารู้จักนะเข้าใจว่าเออมันธรรมชาติมันมันก็เป็นแบบนี้แหละนะวิธีคิดวิธีตัดสินใจหรือว่าความพอใจความไม่พอใจ ของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะถ้าเราอาศัยตัวเนี้ยไปการเรียนรู้นะนะมันก็จะทำให้เราได้เห็นเห็นจิตเห็นใจของเราได้มากขึ้นนะแล้วเราก็จะอยู่นะเราก็จะอยู่ง่ายมากขึ้นคำว่าอยู่ง่ายเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่านอนง่ายกินง่ายนะอะไรก็คล้ายๆว่า ทำตัวง่ายๆนะคำว่าอยู่ง่ายอีกอย่างหนึ่งคือปรับใจได้ง่ายด้วยนะปรับใจให้ยอมรับกับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายสิ่งใดที่เราไม่พอใจนะเราวางมันได้ง่ายไหมนี่อันนี้ก็คือการอยู่ง่ายในความหมายหนึ่งนะ ส่วนใหญ่เราคิดถึงการอยู่ง่ายในความหมายของทางร่างกายเนาะกินง่ายนอนง่ายนะใช้ชีวิตง่ายแบบทางร่างกายอันนั้นก็ดีนะดีมากอีกส่วนหนึ่งนะการที่เราวางใจได้กับการยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเราก็สะดัดอารมณ์ออกไปได้ง่ายน ะ, นะอันนี้คือสิ่งที่ มันเป็นความอยู่ง่ายอย่างหนึ่งของใจนะแล้วถ้าใจเรามีสภาวะพวกนี้ได้ง่ายเนะี่ยมันก็จะทำให้เออเวลาเจอสิ่งที่มันกระทบในจิตใจนะไม่ว่าจะเป็นความพอใจหรือความไม่พอใจนะมันก็มันก็จะทำให้เรารู้ทันแล้วก็วางมันได้เร็วขึ้นนะคือทั้งสองอันนะ่นนะบางทีทั้ง สิ่งที่พอใจนะถ้าเราลงอะไรเพลิดเพลินนะมันก็ทําให้เราก็เนิ่นช้าเหมือนกันเช่นเพลิดเพลินในความสวยงามของธรรมชาติของต้นไม้ของป่าไม้นะหรือแม้แต่ของความสงบสงัดนะเวลาเราเดินผ่านเมืองผ่านหมู่บ้านเรากา็มันก็จะเปรียบเทียบอันนั้นตอนอยู่ในป่ามันสงบดีมันร่มดี อยู่ในเมืองมันร้อนมันบุ่นวายนะอยู่กับธรรมชาติมันก็รู้สึกนะมันมันเป็นสิ่งที่ชอบนะแต่ก็อย่างว่านะบางทีชีวิตจริงมันมันก็ไม่ได้เลือกได้ว่าจะอยู่แต่ที่ที่เราชอบนะเจอแต่สิ่งที่เรานะ ส, สงบนะแต่ชีวิตจริงบางทีมันก็มีทั้งสอง สองด้านเนาะบางทีก็เจอสิ่งที่วุ่นวายแล้วกบสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะปรับตัวปรับใจอย่างไรให้เราอยู่กับมันให้ได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากคือโลกธรรทนะมันก็มีทั้งสองส่วนนะทั้งส่วนได้แล้วก็ส่วนเสียนะหรือว่าส่วนบวกหรือส่วนลบนะทุกทุกทุกอย่างมันก็มีมาคู่กันแ่ะนะ ได้ราบนะมันก็มีเสียราบนะได้ยศก็มีเสียยศนะมีสุขมีทุกมีนินทามีสันนเสินนะทุกคนก็เจอนะโดยเฉพาะนินทาหรือสรรเสิญ น, นะทุกคนก็เจอนะสุขทุกขนะกับกายกับใจนะพวกเราก็เจอนะได้ราบเสื่อมราบได้ยศเสื่อมยศนี้ก็เหมือนกันนะราบ เล็กเลน้อยน้อยไม่จําเป็นว่าต้องถูกหวยถูกรตเตอรี่หรือรวยรวยนะลาบสักกระลราบสักการะเล็กน้อยที่เราได้นะอาหารการกินนะสิ่งของเครื่องใช้ที่เรามีนะบางทีมันก็มีได้มันก็มีเสียนะได้มาเราหลงดีใจเราติดใจกับมันไม่นะบางทีนิดนิดน้อยน้อยนะมันเกิดความพอใจขึ้นมานะเออก็ให้เรารู้ทันมันหายไปนะ เราเสียดายอะไรอวบอมันหรือเปล่านะก็เรารู้ทันมันนะคําว่ายศนี่ไม่ใช่ต้องเป็นตําแหน่งหน้าที่ใหญ่โตก็ได้นะคําว่ายศนี่ก็คืออ่าสมมุติอะที่เราเป็นนะเช่นเป็นพระนบางคนเป็นพระอาจารย์บางคนเป็นพระมีภรรามากหน่อยบางคนก็เป็นพระภรราน้อยนะบางท่านอย่างแม่ชีนะ เป็นโยมก็ดีนะอันนี้ก็คือยศอย่างหนึ่งนะยดที่สมมุติที่เราเป็นนะบางทีเราก็เรียนรู้ดูอดกดูอารมณ์ของเรานะที่มันเกิดขึ้นเอ๊อย่างมาว่านบางทีแม่ชีน่ะยิ่งดูง่ายไหมบางทีบางที่โอ้คนก็เขาลบแม่ชีมากบางบางที่คนก็แบบเฉยๆแต่แม่ชีนะเหมือนไม่ค่อยใส่ใจหรือว่า ปฏิบัติเออบางทีในกึ่งเนาะบางทีบางที่เขาก็เขาลบแม่ชีในกึ่งความเป็นนักบวชบางที่ก็ว่าแม่ชีไม่ใช่นักบวชอะไรนะการให้ค่าการปฏิบัตินะก็แตกต่างกันอเราเองก็เออที่จริงถ้าเอาอารมณ์นั้นเป็นสภาวะดูดูจิตตดูใจของเราว่าเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็ดีนะ อย่างพระใหม่เองก็ดีนะบางรูปก็มีการศึกษาสูงหรือบางรูปก็มีประสบการณ์ทางโลกเยอะนะออบางทีเราก็ดูนะมันเป็นแบบไหนเวลาลเราเข้ามาใหม่นะเหมือนเป็นผู้ใหม่นะต้องเคารพตามพระธรรมวินัยเคารพผู้ที่บวชก่อนนะแม้เพียงแค่วันเดียวนะก็ถือว่านะเป็นรุ่นพี่ของเรานะ แต่บางทีรุ่นพี่ของเราบางรูปก็อาจจะดูความประพฤติไม่เรียบร้อยดูการศึกษาก็ไม่สูงนะเออจิตใจเราเป็นแบบไหนเราก็ดูคือถ้าเราไปดูคนอื่นว่าเขาไม่ดีเขาไม่ถูกมันก็ใช่นะแต่เราก็ลืมดูตัวเองเออเราเองก็ยังมีความรู้สึกมีอัตตามีมานะของเราเองเหมือนกันนะอนะไรเหมือนเนียอันนี้คือคือ ไม่ได้ว่าใครทั้งนั้นนะแต่เหมือนหนึ่งว่ามันเป็นสภาวะที่ถ้ามันเกิดขึ้นในใจของเรานะนอกจากเราจะเห็นข้างนอกแล้วเราก็อย่าลืมกลับมาเห็นใจของเราด้วยกลับมาเห็นความรู้สึกของเราด้วยว่าเป็นแบบไหนเวลาเราเหมือนเรามองกระจกอะที่จริงกระจกภาพที่เราเห็นในกระจกนะมันก็คือภาพที่สะท้อนความรู้สึกในใจของเราน่แหละ เราเห็นคนอื่นเราเห็นสิ่งอื่นอันนี้อันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบนะคำว่าเราชอบเราไม่ชอบก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะในจิตใจนี่แหละนะถ้าเราบางทีถ้าเราอันนี้เราชอบเราไม่ชอบนะเราก็จะไปติดในสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบนะสิ่งของก็ดีบุคคลก็ดีสมมติว่าอันนี้เราชอบนะชอบอันนี้นะ ใจเราก็จะไปติดในของอันนั้นไม่ชอบอันนั้นเราใจเราก็จะไปติดในของอันนั้นแต่เราจะดืมกลับมาดูนะกลับมาดูตัวเองว่าเออเออใจมันไปติดความชอบใจไปติดความไม่ชอบนะเออถ้าเราเห็นตอนนี้ได้นะมันมันจะสะท้อนเหมือนกลับมาเห็นตัวเองเหมือนเราเหมือนเราดูกระจกนะเราเห็นเช่นเราเห็นอ่า ฝุ่นสมมตินะเห็นฝุ่นมันติดผมนะเห็นอะไรมันติดผมอยากแย่ติดผมนะเราไปจับไอ้ที่มันอยู่ในกระจกนะอยากแย่มันก็ไม่ออกนะแต่ถ้าเรากลับมาจับตัวเองอ๋อมันสะท้อนมาเห็นอ๋อฝุ่นหรืออยากแย่มันอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะเราจับที่ตัวของเราเองออมันถึงจะออกแต่ถ้าเราไปจับภาพที่มันสะท้อนในกระจกเนี่ยมันไม่ออก อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจก็เหมือนกันนะถ้าเราดูดีมันก็คือต้องย้อนกลับเข้ามาดูตัวเราเองนะกลับมาเห็นอารมณ์ของเราเองแล้วก็อืมมองมันด้วยความเป็นกลางนะมันก็จะทําอะไรไม่ได้นะมองมันด้วยความเป็นกลางมันก็จะมีช่องบ้างเห็นวอ๋ออันนี้คืออารมณ์นะมีสติเป็นผู้เห็นแล้วแบบเนี้ยนะ นอกจากว่าบางครั้งบางอารมณ์ที่มันมันติดมากนะบางทีเราไปดูบางทีมันมีความรุนนะรุ้นว่าเมื่อไหร่จะหายนะอะแบบนั้นถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่พอใจบางทีจะมีความรู้สึกลึกๆว่ามันมันอยากจะหายเนาะเหมือนเมื่อวานเราได้ฟังเทศพระชานเปสารนะ่ที่พาท่านเปิดให้ฟังเออเรียกว่าคน เป็นโรคอะไรเมื่อจะไม่ได้แล้วแล้วก็ติดเหล้าใช่ไหมแล้วหมอก็แนะนําให้เลิกกินเหล้านะแล้วก็แล้วก็มาหาหมอทุกครั้งก็หมอก็จะถามว่าเลิกเลิกเหล้าได้หรือยังเห่ือืนะเขาบอกก็เลิกไม่ได้นะหมอก็ตําหนิทําไมเลิกไม่ได้นะมีความก้มใจมีความเครียดเรื่องอะไรนะคนไข้ก็บอกว่าก็เครียดเรื่องเลิกเหล้าไม่ได้เนี่ยแหล ะ, ะก็เลยไปกินเหล้า คือกุ้มว่าเมื่อมันทำไม่ได้ทุกทีก็กินเล่าเข้าไปนะมันก็ตลกนะแต่จริงอารมณ์เราก็เหมือนกันนะบางทีบางทีเราก็บางทีมีความไม่พอใจขึ้นมาเนะี่ยบางทีเราก็กุ้มนะเราก็ไม่พอใจที่มันไม่พอใจนะอยากจะให้มันหายอยากจะให้มันดุดไปนะมันก็คือเหมือนคล้ายๆเนะี่ยไปซ้ำเติมตัวเราเองนะ ใจที่เป็นกลางใจที่ปกติเนี่ยดีที่สุดเลยคือดูมันเฉยเฉยดูมันซื่อๆอย่างนีน้มันจะหายไปได้แต่นอกจากบางครั้งมันดูไม่ได้นะดูด้วยใจเป็นกลางไม่ได้นะใจมันลุ้นอยากจะให้มันหายหรือบางทีบางครั้งมันก็ยังติดในความคิดในอารมณ์นั่นอยู่นะเกลับมาดูกายเลยไม่ต้องไปสนใจอารมณ์นั้นไม่ต้องสนใจความคิดนั่นละ กลับมาดูกายนะออาศัยร่างกายเป็นเป็นเครื่องอยู่แทนก็ได้นะอ่ะวางความคิดก่อนวางอารมณ์ก่อนอย่าเพิ่งไปเอานะหายไม่หายช่างมันนะกลับมาดูกายก่อนให้กายเป็นปัจจุบันนระทำแทนนะเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นกายหายใจนะเห็นกายทํานั่นทํานี่นะก็ดูตรงนั้นแทนไปก็ได้นะอืมจิตเพราะว่าจิต คนเรามันรับรู้อารมณ์นี่ทีได้ยางเนาะอยะนะ่ถ้าเราถ้าจิตเราไปติดกับความคิดกับอารมณ์นะมันก็จะไม่เห็นกายแต่ถ้าจิตกลับมาเห็นกายนะจิตมันก็จะหลุดจากอารมณ์จากความคิดนะในขณะนั้นไดนะ้อันนี้ก็เป็นวิธีที่นะช่วยให้เรานะมีเครื่องอยูนะ่เราก็จะเห็นว่าเออที่จริงเดี๋ยวธรรมชาติมันก็สอนเองแหละนะ มันเป็นแบบไหนนะความรู้ความเข้าใจนะปัญญาก็เกิดขึ้นนะกับเราทีละน้อยทีละน้อยจากการที่เราค่อยๆเห็นอารมณ์ตัวเองนะนะแล้วก็วางใจกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนะรู้จักหาอุบายหาเทคนิคในการที่จะทำให้จิตใจมันกลับมาเป็นปกตินะทำให้เราเห็นนะ อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นดับไปเนะี่ยของมันเองได้เนนะี่ยเห็นความพอใจเห็นความไม่พอใจนะถอนความพอใจถอนความไม่พอใจออกจากจิตใจได้อันเนี้ยนี่คือสิ่งที่มันก็คือการขัดเก่ากิเลสของเราเองนะอกิเลสนะมันก็คือมันก็มีรากเหง้าจากอัตตาะ จากความมีตัวมี ต, มตนนี่แหละนะมันก็เหมือนมันเป็นที่เกาะเป็นที่ตั้งของกิเลสก็ได้นะแต่ถ้าเราย้อนกลับมาเห็นนะเออที่จริงมันเกิดเป็นตัวเป็นเป็นตัวเราเป็นของของเราเนาะมันก็เลยมีสิ่งที่เราชอบมีสิ่งที่เราไม่ชอบนะถ้าเราย้อนกลับมาลื้อถอนตรงนั้นนะ โดยการที่เอลองกลับมาดูมันนดูมันเกิดขึ้นมานให้เห็นว่าอันนั้นเป็นเป็นตัวหนึ่งเราก็ดูมันเฉยเฉยตัวหนึ่งเนี่ยมันทําให้จิตใจของเรามันมีเครื่องอยู่นมีมีที่ตั้งมีความเป็นปกติกลับคืนมาเหมือนกับธรรมชาตินะมันก็สงบ แต่คำว่าสงบนี้ไม่ใช่ไม่มีเสียงนะแต่อาจจะเป็นเสียงที่มันทำให้เกิดความผ่อนคลายนะเป็นบรรยากาศที่ทำให้เกิดความสงบผ่อนคลายนะแต่ไม่ใช่ไม่มีอะไรหรอกมันมีเหมือนกันนะแต่มีในทางที่ทำให้มันรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายผ่อนคลายนะ แต่ถ้าจิตใจเราเองยังมีเสียงอยู่ข้างในเยอะเนี่ยหรือเราเองมากันเยอะเราพูดคุยสนุกสนานเพลิดเพลินไปทางอื่นนะเราอยู่กับธรรมชาติก็จริงนะแต่เราเองก็อยู่กับความคิดบ้างอยู่กับการพูดการคุยบ้างนะเราก็ไม่ได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆนะบางทีโอกาสที่เราได้มาอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะสิ่งที่ดีมากคือ คุยกันนิดนิดหน่อยหน่อยพบปะกันตามพอสมควรในะเวลาฉันเวลานั่นเวลานี่แต่ถ้าจะดีก็คือเวลาที่เหลือก็เราก็ใช้เวลาอยู่กับตัวของเราเองนะนั่งเจริญสติหรือนั่งสมาธินะเดินจงกรมก็คงเดินเยอะแล้วนะตั้งแต่ตอนกลางวันนะก็คงส่วนใหญ่ตอนเช้าตอนค่ําก็คงนั่งนะนะให้มัน ร่างกายขาก็ได้พักหน่อยนะเราใช้เวลาในการดูดูอารมณ์ดูความรู้สึกนะของตัวเราเองก็ดีโดยอาศัยบรรยากาศธรรมชาตินะมันที่สั ป, ปะยะเนะี่ยช่วยให้เราได้อยู่กับตัวของเราเองนะนะเห็นกายเห็นใจชัดขึ้นนะอยู่ที่มืดมืดนะไม่ค่อยเห็นเพื่อนนะเราก็จะได้เห็นตัวเราเองได้ง่ายขึ้นด้วยเนะี่ย แต่ถ้าเราลองอาศัยแบบนี้นะมีช่วงที่เราได้ปีกอยู่กับตัวเราเองนะเราก็จะได้เห็นเห็นความรู้สึกของเราเองได้ชัดขึ้นหรือแม้แต่บางช่วงที่อาจมันต้องเกี่ยวข้องกับเพื่อนเนาะเราก็สะท้อนกลับมาดูตัวเราเองด้วยนะเกิดนะความพอใจความไม่พอใจก็สะท้อนกลับมาดูตัวเราเองด้วยนะ บางครั้งมีความเพลิดเพลินสนุกสนานนะก็ต้องเบรกบ้างนะก็ต้องเบาบ้างนะนี่ก็คือมันก็จะเป็นสภาวะอารมณ์ที่มันมันเราก็จะได้เรียนดูเนาะมันมีถูกมันมีผิดมันมีชอบมีไม่ชอบนะมันมีหลายอย่างนะแต่จะมีอย่างไรให้เราไม่ไปลงยึดไม่ลงติดมันเนะี่ย ด้จักปล่อยด้จักวางด้จักผ่านมันไปได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ก็ทุกๆคนนะ ก, ก็ร่วมกันเรียนรู้นะผมเองนะอาตารไม้ก็ก็เรียนรู้ในการเดินธุ ด, ดงค์แบบนี้ด้วยเหมือนกันนะในการเดินธุ ด, ดงค์แบบคนเดียวก็จะได้อารมณ์อีกแบบหนึง่งในการเดินเป็นหมู่คณะนะมันก็จะได้อารมณ์ที่ มีทั้งเหมือนกันบ้างมีทั้งแตกต่างกันบ้างนะแต่เราเองก็อาศัยว่าเออปัจจุบันนะมันเกิดอะไรขึ้นให้เราได้เห็นให้เราได้รู้นะเราก็ดูไอ้ตัวนั้นแหละนะถ้าเราไปคาดหวังอยากจะเจออันนี้ไม่อยากเจอไอ้อันนี้เนี่ยมันมันไม่ได้นะอยู่กับความที่ไม่ต้องหวังอะไรมากนะแล้วก็เปิดใจดู เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรเนะี่ยเราจะเห็นนะปรากฏการที่มันแสดงตัวให้เราได้เห็นได้ไดง่ายขึ้นเนาะอันก็ฝากไว้ครับ <c oughs>